โยคาวาจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปัตมะฌานเป็นสุญญตะซึ่งเป็นมิบาคเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศล น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพระเอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากฤิจห้าอสิอดสภาวาธรรมที่เป็นอภยญากฤตเป็นฉไนะ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 โยคาวจรบุคคลจงัด จ, จากการบรรลุปัทธรรมที่เป็นอนิมิตตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศล น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากฤิจห้สิบสสภาวธรรมที่เป็นอภยญากฤตเป็นชนัย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 บรรลุปธรรมฌานที่เป็นอัปปนิหิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุสนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยญากริจห้าสิสาภาวธรรมที่เป็นอพยญากริเป็นฉไนะ โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทะทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานบรรลุปธรรมฌานบรรลุปัญจมาฌานที่เป็นสุญญาตชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะชื่อว่าเป็นวิบาก ที่เป็นสุญญตาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตตาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญตะชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอัปปนิหิตะชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพพยากฤิสุทิกะสุญญตะจบสุญญตาปฏิปทา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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากการบรรลุปธรมฌานที่เป็นสุญญตะซึ่งเป็นทุกขาปฏิปทาทันถาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทําได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคเเปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิต 515. สภาวัธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงอาจจากการบรุปธรรมฌานที่เป็นสุญเตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะ อวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยกาวจรบุคคลสงัจจากการบรรลุปธรมฌานที่เป็นอนิมิตตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสตอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็น อัพยกากฤทห้าร้อยสิบหกสภาวธรรมที่เป็นอัพยาการิเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรรมบรุปธรรมฌานที่เป็นสุญญะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ปัสอ า, าวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปธรรมฌานที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตะกุศลนั้นนั่ น, น, นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 เพราะบิดกวิจารสงบประงับไปแล้วบาลุตติยะฌานบาลุจตุตถฌานบาลุปธรมฌานบาลุปัญจมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอ э ida, ัปปนิหิตตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริต 518สสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสังั จ, จากกรมบรุปธรรมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาที่เป็นสุญญตะ เป็นสุขาปฏิปทาขิ ป, ปาภิญญาที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิ ป, ปาภิญญาบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตฌานบรรลุปัมะฌานบรรลุปัญจมาฌานที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิ ป, ป, ปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตตเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นอปปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพินยาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสธะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตสุญญตปฏิปทาจบสุทิกะอปปนิหิตะห้าร้อยสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤษตเป็นฉไนะ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 โยคาวจรบุคคลสงัด จ, จากการบรลุปัตมะฌานที่เป็นอัปปนิหิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศล น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริศหยี่สสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริเป็นฉไนะ โยคาวาจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสังัดจากการมบรุปธรรมชานที่เป็นอัปปนิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวาจรบุคคลสงัด จ, จากการบรลุปธรรมชาญที่เป็นอนิมิตต์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญชาญที่เป็นโลกุตตะคุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิ5 2้ายสบอ็ดภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นชนหะน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 โยคาวจรบุคคลสงัด จ, จากการบาลุปธรรมฌานที่เป็นสุญญตะซึ่งเป็นวิบาศเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากฤตจ522สภาวธรรมที่เป็นอภยญากฤตเป็นฉไนะ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 ที่เป็นอปปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอปปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญาตะชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกเปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากริตสุธทอปปนิหิตะจบอปปนิหิตะปฏิปทา ห้าอยี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นอัพยกรตเป็นฉไนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากามบรุปธรรมฌานที่เป็นอัปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัะสะ อวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ที่ว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลตังหัดจากการบรลุปธรรมฌานที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทาได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะ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 สงััดจากกาบรบลุปธรรมฌานที่เป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฏะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัด จ, จากกาบรบลุปธรรมฌานที่เป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบา เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริ5ยสหสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริเป็นฉนะัยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ใหถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากการบรุปธรรมชาญที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัศาอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบลุปธรรมชาญเป็นสุญญตะ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทาได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสดะวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยญากริจห้ยสภาวธรรมที่เป็นอพยญากริเป็นฉนะ โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตทฌานบรรลุปธรมฌานบรรลุปัญจมฌานที่เป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นสุญญะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกรากฤอ527สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉนะไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุขใหถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกามบรุปธรรมชาญที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาที่เป็นอปปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาที่เป็นอปปณิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปาพิญญาบรลุทุติยชาญบรุตติยชาญบรลุเจตุติยชาญ บรรลุปธรรมฌานบรรลุปัญจมาฌานที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาคิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาคิปปาพิญยาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาคิปปา พ, พิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะเป็นสุขขาปฏิปทาคิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบาก ที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพินยาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัปพยากริตอปปนิหิตะปฏิปทาจบมหาในยี่สิบ ห้ารยี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคที่เป็นโลกุตระเจริญสติปัฏฐานที่เป็นโลกุตระเจริญสัมมัปปทานที่เป็นโลกุตระเจริญอิทธิบาทที่เป็นโลกุตระเจริญอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเจริญภะละที่เป็นโลกุตระเจริญโพชงที่เป็นโลกุตระ เจริญสัจจะที่เป็นโลกุตระเจริญสมถะ <ăn> <earthquake> ที่เป็นโลกุตระเจริญวิปัสนาที่เ <Dry> ป <unhappy> ็นโลกุตระเจริญขันธ์ที่เป็นโลกุตระเจริญอายตนะที่เป็นโลกุตระเจริญธาตุที่เป็นโลกุตระเจริญอาหารที่เป็นโลกุตระเจริญผัสสะที่เป็นโลกุตระเจริญเวทนาที่เป็นโลกุตระ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 บรลุปรรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากการบรลุปธรรมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นสุญญตะซึ่งเป็นวิบาศ เพราะได้ทําได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศล น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสฐะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากฤตจห้อสสสภาวธรรมที่เป็นอภยญากฤตเป็นฉนะัยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรุปธรรมชาญเป็นฉันทาที่ประไตยอยู่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรุปธรรมชาญเป็นฉันทาที่ประไตเป็นอนิมิตต เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระขุศนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยญากฤษ5ห1อสภาวธรรมที่เป็นอพยญากฤตเป็นไนะ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 โยคาวจรบุคคลสงัด จ, จากกามบรรลุปธรรมฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาปิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุสนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤษต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 เป็นฉันทาธิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบาก เป็นฉันทาทิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตเป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริห้าร้อยสาสบสาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริเป็นฉนไหน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 บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานบรรุปธรมฌานบรรลุปัญจมัฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขขาปฏิปทาคิปาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขขาปฏิปทาขิปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศล เป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตะเป็นสุขาปฏิปทากิปาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขาปฏิปทากิปาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทากิปาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นปัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิฉันทาธิปไตยสุทิกะปฏิปทาจบฉันทาธิปไตยสุทิกะสุเนตะห34สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นฉไหนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพาน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 เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศนนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยญากริจห้าร้อสาสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นอพยญากริเป็นฉไนะ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 โยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรลุปธรรมชาญเป็นฉันทาที่ปไตยเป็นอนิมิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศล์นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริศห้าสมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นฉไหนะ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 โยคาวาจรบุคคลสงัดจากการบรรุปธรรมฌานเป็นฉันทาที่ปไตเป็นอัปปนิหิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุสนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวาธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นอัพพยากริต 537. สภาวาธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นฉไนะ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 เป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญยะชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญยะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตต์ชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญยะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอปปนิหิตต์ชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัจฉะอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยาการิตฉันทาทิปไตยสุทธิกะสุญญาตจบวิบากแห่งมัคจิตดวงที่หนึ่งห3 8สภาวธรรมที่เป็นอัพยาการิตเป็นชนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้น สังัด จ, จากกามบรรลุปธรมชาญเป็นฉันทาทิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวาจรบุคคลสังัด จ, จากรามบรรลุปธรมชาญเป็นฉันทาทิปไตยเป็นสุญญตตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้เจริญชานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัตสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริศห้าร้อยสสิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริเป็นฉนหะน โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสังัดจากกามบรุปธรรมฌานเป็นฉันทาทิปไตเป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัษะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวจรบุคคลสงัดจากการบรลุปธรมชาญเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระขุศ น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริตห้าสี่สิบ สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสังัดจากกามบรรลุปธรรมฌานเป็นฉันทานที่ปไตยเป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น พัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นจะพาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกาบรบลุปธรรมชาญเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 บร ita, บรลุตติยฌานบารรลุจตุจัชฌานบรรลุปัตมะฌานบรรลุปัญจมัฌานเป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยอยู่ชื่อว่าเป็นกุศลเป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยอยู่ชื่อว่าเป็นวิบากเป็นสุญญาตเป็นท <force balcony. S 2> ุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา เป็นฉันทาทิปไตยชื่อว่าเป็นกุศลเป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาพิญญาเป็นฉันทาทิปไตยชื่อว่าเป็นวิบากเป็นสุญตะเป็นทุกขาปฏินน גם, ปทาทันธาพิญญาเป็นฉันทาทิปไตยชื่อว่าเป็นกุศลเป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาพิญญาเป็นฉันทาทิปไตยชื่อว่าเป็นวิบาก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 บรรลุปธรมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันถาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาทันถาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานบรรลุปธรมฌาน บรรลุปัญจมาญัานเป็นฉันาทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันาทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาปขาปิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศล เป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตะเป็นสุขาปฏิปทากิปาพินญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพินญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอปปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทากิปปาพินญาชื่อว่าเป็นวิบาก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 บลุปธรรมชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกาบรบลุปธรรมชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะ อวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกริห้าร้อยสี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกรตเป็นชนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกาม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 บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบลุจตุตถฌานบรรลุปธรมฌานบรรลุปัญจมัฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตตะชื่อว่าเป็นวิบาก เป็นฉันทาทิปไตยเป็นอัปปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาทิปไตเป็นสุญญตะชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัทสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพพยากริศห้สเจสภาวธรรมที่เป็นอัพพยากริเป็นชนไะฉ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 พัฏฐะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากการบรรลุปมัมาฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสะอวิเกปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกริห้า้สี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นอัพยกรติเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงังฎจากการบรรลุปธรมฌานเป็นฉันทาทิปไตย เป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาบธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกาบรบลุปธรรมชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุสนนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสธะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพพยากฤิ5ห้าหสสภาวธรรมที่เป็นอัพพยากฤิเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากบัตทุขใหถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุถถชาญบรรลุปัธรรมชาญบรรลุปัญจมาชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบาก เป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุ Jonathan, น Blind, กข <em> าปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิม entities, Script, entes, pocket, ิตตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบาก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 บาลุปธรรมชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาบาลุทุติยชาญบาลุตติยชาญ บรรลุจตุตฌานบรรลุปธรรมฌานบรรลุปัญจมฌานเป no imagen, виде, <sh> ็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศล เป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตะเป็นสุขขาปฏิปทากิปปาปิญญาชื่อว่าเป็นว ma. ิบาปเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทากิปปาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบาปอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกริหยห้าสิบสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคที่เป็นโลกุตระเจริญสติปฐานที่เป็นโลกุตระเจริญสัมมปทานที่เป็นโลกุตระเจริญอิทธิบาทที่เป็นโลกุตระเจริญอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเจริญพรรษที่เป็นโลกุตระ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 อวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสังัดจากการบลุปธรมชาญที่เป็นสุญญตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นอนิมิตเตเป็นฉันทาทิปไตเป็นอัปปนิหิตะเป็นวิริยาทิปไตเป็นจิตตาทิปไตเป็นมิมังสาทิปไตเป็นซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัทธะอาวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตวิบากแห่งมักคจิตดวงที่หนึ่งจบวิบากแห่งมัคคจิตดวงที่สองเป็นต้นห้าร้อยห้าสาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นฉน โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากปัตทุกขใหถึงนิพพานเพื่อทำการมาราคะและพยาบาทให้เบาบางเพื่อบรุภูมิที่สองเพื่อละการมาราคะและพยาบาทโดยสิ้นเชิงเพื่อบรุภูมิที่สามเพื่อละรู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาโดยสิ้นเชิงเพื่อบรุภูมิที่สี่ สงัดจากกามบรรลุปธรรมชานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอันยินรีอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาบธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากการบรรลุปธรรมชานซึ่งเป็นสุญญะอันเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสดะัญญาตาวินสีอวิขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพกยากฤบ554พัสดะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะ ความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น55าอหห้ัญญาตาวินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยทําความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉ ล, ลาด ภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดการไข้ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินสีปัญญาภะปัญญาเหมือนศัตราปัญญาเหมือนปราศาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญา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 วิบากแข่งมัคคิจิตดวงที่สองเป็นต้นจบโลกุตระวิปากจิตจบอัพยากฤิตที่เป็นอกุศ ล, ลวิบากปัญจวิญญาณที่เป็นอกุศลลวิบาก์ห้าร้อยห้าสิบหกสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นฉะไหนจะขู่วิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้น โสตวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคาณวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคด้วยทุกมีโผฏฐพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะได้ทำได้สั่งสมอากุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตทุกเอกขตามนินสีทุกขินสีและชีวิตตินสีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยญากริ5 5 7าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหน ความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นห้า้อยห้าสิบแเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นจะไหนความไม่สําราญทางกายความทุกข์ทางกายอันเกิดแต่สัมผัสแห่งกายวินานธาตุที่เหมาะสมกัน ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 559. ทุกข์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไนะความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น560ทุกขินตรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไรความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สาราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัส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 ห้าสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นชไหนะมโนธาตุที่เป็นวิบากสหรคตรด้วยอุเบขามีรูปเป็นอารมณ์มีโธพธะเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุกโศลกรรมในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบขาเอกคตา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 เวทเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขานขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกระิมโนธาตุที่เป็นอกุศลวิบากจบมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอกุศลวิบากห้าร้อยหกสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกระิเป็นฉไหนะ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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัยยากิตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอกุศลวิบากจบอัพยากฤตที่เป็นอกุศลวิบากจบอัพยากฤตที่เป็นอเหตุตุกกิริยามโนธาตุที่เป็นกิริยาห66สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไนะมโนธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมที่ถอรคตด้วยอุเบขามีรูปเป็นอารมณ์มีโพธะเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดยในสมัยนั้นปัสสเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบขาเอกคตามนินทรียอุเปกขินทรียและชีวิตินรียก็เกิดขึ้น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 ห้า้อยหสิเจ็ดสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนพัสสะเจตนาวิตกวิจารเอกคตาและชีวิตติณีหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเวนเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันนี่ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้ น, ส, น, น, น, น, ส, น, นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤ มโนธาตุที่เป็นกิริยาจบมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาสหรคตด้วยโสมนัสห้า้อยหสิบปดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นชไหนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมสหรฆด้วยโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาวิริยินสีสมาธินสีมนินสีโสมณตินสีและชีวิตินสีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งยิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤษ569ห้56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 ความที่จิตไม่ทัดทายสมถะสมาธินีสมาธิภะละในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น5้ารวิริยินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหนการปรารบความเพียรทางใจความขมขมเม่นความบากปันความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งทุระความเอาใจใส่ทุระวิริยะวิริยินรีวิริยะพละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยินทรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น572สสมาธินทรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นอยู่ความไม่สัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่สัดสาย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 เวนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาสหคตด้วยโสมนัสจบมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาสหคตด้วยอุเบกขาห7 4เจสบสสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตเป็นชไหนะ มโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมที่ถธรคด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมมีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตตกวิจารอุเบกขาเอกคตาวิริยินทรีจะมาทินทรีมนินทรี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 576สภาวธรรมที่เป ya, ็นอัพยกฤตเป็นไฉมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตไดยานสะหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตไดยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากยานสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากยาน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 ขัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตอัพยากตามูลคืออโลภะอัพยากตามูลคืออโทสะอัพยากตามูลคืออโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตกามาวจรกิยาจิตที่เป็นสเสตุกะจบรูปาวจรกริยาจิต ห้า้อยเจ็ดสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉไรพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นมรูปาวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากของกรรมแต่เป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสงัดจาการบรรลุปธรรมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะ อวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกริดห้าร้อ็สิบสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริดเป็นไนพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นรูปาวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบาของกรรมแต่เป็นเพียงเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุตถฌาบนบรรลุปัตมะฌาบนบรรลุปัญจมาฌานที่มีปัตถวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒนาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตรูปาวจรกิริยาจิตจบอรูปาวจรกิริยาจิต ห้าสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนะพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นอรูปาวจรเป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมแต่เป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม่มนัสิการถึงนานัตตะสัญญาจึงบรรลุจตุตชฌานที่สหรคตด้วยอากาสานันจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิทธ์ห้าร้อยแปดสิบสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นฉไนะ พระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นอรูปาวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากกรรมแต่เป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงอาการสาาญจายตนะได้ดูประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคต ด, ด้วยวิญญาณานจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากริจ581สภาวธรรมที่เป็นอภยญากริจเป็นฉไนะพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นอรูปาวจรเป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากกรรม แต่เป็นเพียงธ ร, รมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตถฌานที่สรคตรด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสอาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากฤต ห้าสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉไรพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นอรูปาวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมแต่เป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจจตุตชฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสธะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤริอัพยากตามูลคืออโลภะอัพยากตามูลคืออทโทสะอัพยากตามูล คื อ, อโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยาการิตอรูปาวาจรกิริยาจิตจบอัพยากตบทจบจิตุปาทกันจบ